โอกาสต่อไปนี้ขอทุกท่านตั้งใจฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งขณะที่ฟังอยู่ไม่ต้องอามเมย์นะจนจะเมยให้ตั้งใจฟังนึกหมายความว่าขณะใดที่ฟังดีเสียงทุกคำพูดได้ะกะรู้เรื่องทุกขยอย่ำอย่างนี้ที่ว่าจิตเราเป็นสมาธิในการฟัง แล้ก็ถ้าหากว่ามีอะไรที่จะต้องคิดให้ปัญญาทิเจรณาไปด้วยก็จะมีผลต้งสมรรถการเป็นด้านาานี้มันเจรนายการจเจริญพระธรรม า, านอันนี้ก็ขอพูดต้นวันนี้จะพูดให้น้อยของวังนนี้สันี้เราพูดสามสิบนาทีเสร <c oughs> วันนี้ขอแนะนำกันเรียงพอสมควรสำหรับพระอาการิน ไอห้มีการรมตวังให้มากพระ ก, ก็ดีในก็ดีมีศีรษาบทมากกว่าพระแต่เบพระะว่ยก็มีศีรษาบทสำคัญแต่ห้าศีรษาบทหรือว่ายวมากกแปดศีดรษบทแต่แพระมีศีรษาบทจะต้องปฏิบัติตรยี่ ส, เสบเจศีรษะบท สัมมนเณรมีสิกขาบท 10. ติดตัว่าสัมมณเณรนี่ไม่ใช่มีแค่สิอย่างเดียวจะต้องปฏิบัติในเซกียาวาอีกเจ็ดสิบห้าถ้ารวมจริงๆแนละ้วก็เป็นแปดสิบห้าดังนั้นในสิกขาบทที่เราจะต้องปฏิบัติสำหรับพระ็ดีตเนก็ดีถ้าจิตตัวท่านบกต้องในสิก ข, า บ, ขาบทใดสิกขาบทหนึ่ง การเิอสมาธิไม่มีผลมีาการเรื่ยอยงสังเกตที่เราจสังเกตได้เพราะบางวันจิตใจของเรามีความสบายกลอ บ, บโลงร่างกายเอาไม่เคียดเกินไปนไม่ปวดให้ไม่สบายบางครั้งมีลมปรอบโลมดีแต่บางครั้งมีลมไม่กลอบโลงบางครั้งมีจิตสิทธัตจะมีลมประทับกระจายไม่สา ม, มารถจะกลุ่มลมไว้อยู่ นั่นให้คุณทาบว่าศิรษาบทที่อุทุมปฏิบัติทั้งมีความบกป้องและศิรษบ ท, บทใจ ก, ก็บศิราบทนี้การเจริญธรรมนี้มีความสำคัญมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทานพระที่เป็นลำบติตั้งแต่สังขาดิเชขึ้นไปาการเจริญทานส ม, มาบัตยอ่อมมีผลได้ถึงแส้ทานโลกิน ถว่าทานโลกีก็ไม่มีการโตตัวในอาการเพิ่มเป็นลงลงทีนั้นจะต้องเรื่องอวบเชก่อนการฝึกเท่าที่สังเกตมาประเจนว่าพระก็ดีเน่งก็ดีฝึกได้ยากกว่าเทวะตั้งนีก็อะไรเขาก็เขาว่าบางทีบดนเข้ามาแล้วทขาลืมตั้งรีศีลสองรอยี่สิบเกณฑ ถ้าไม่ถามเข้าจริงๆว่าชิ้น227มันมีอะไรบ้างไม่รู้หรอกถ้าเราไม่รู้ว่ า, ส, าสิร้น227มันมีอะไรจะได้การบวชทั้นไม่มีผลเลยจงหลักว่าเราเรามีการฟังหูยินเลยเป็นปกติแต่ว่าขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจจําตั้งใจปฏิบัติตามนี่จะนั้นการบวชของท่งานก็ไม่มีผลไม่กัน ถ้าบทอยู่ในวัดนี้ฟังพระินทร์นาทุกวันถ้าไม่จิตใจแนละ้วท่านไม่ทรงอินทรนายนันก็ไม่ต่างอะไรกับโหลที่ตกเขไปในถังข้าวสารแต่ว่าไม่รู้ว่าข้าวสารมันเป็นอาหารสําหรับโหนูีไม่ดีหนูก็พร้อมตายไปเปล่าๆนี่เป็นอน า, านารีย์สำนักฆ่าคนดีในก็ดีตในนีิทรรศมติวังนะอย่าเข้าใจว่ามีสึกษาหมดปฏิบัติจะก่อศึก จะต้องดูเศรษทีว่าที่เจ็สิบห้าด้วยรวมแล้วเป็นแปดสิบห้าแลการว้ตวกันมีความจาเป็นในเรื่องของศีลกว่าท่าสงศีลห้าก็ศีลห้ามนครบพ้นสมบริสุทธิ์ถ้างศีลแปก็ศีลแปดสบริสุทธ์ถ้าว่าศีล ไ, ไม่บริสุทธิ์ความมัวหมองมันก็เกิดแต่ว่าทัานที่เข้ามากใหม่ ว่าศิลไม่มริสุทธถ้าเขาไปไหนไม่ได้เหมือนกันแต่ฉะนั้นอันดัแรกเขาบรรดาชนพุทธบริษัททุกฝ่ายพระเยสุสมัเลนอุบาโอมบาจิการทุกวันทุกเวลาให้จิญยานชาระจิตใจของท่านในบริจตหมดจบด้วยกําลังของศีลเนตดูให้ดีว่าสิลที่เราต้อศึกษามีกี่ศึ่ขาบทดเฉะนั้นทุกทีกขาบมดที่ต้องฟองใสอยู่เสมอ ําหลักพระสิขาบทตั้งแต่ฤาษีปาริ0ปีลงมาเวลา่อนจะนอนคอยตอนจะละกจะักพระโคจพิจารณาว่าตั้งแต่เช้าเวลานี้ น, นีสิขา บ, บทใดบ้างท่เาบกต้องเมื่อบกต้องก็ไปสแสดงให้พระธรรมคัมภีแสดงให้พระธรรมก็ต้องควรจะบอกเป็าานภาษาไทยอย่างดีที่สุดว่าวันนี้เราละเมิดจิตมละเมิบบททสดสิขา บ, บทใดสิขา บ, บทหนึ่งตามที่เราทราบ แต่ขอให้สัญญาว่ารับปฏิบัตินี้เป็นต้นไปผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกอย่าสร้างจิตไว้ในขอบเขตของจารสุทธาะการที่จะเรื่องอศีลถ้ามันกระวาดศีลไบุกร้องก็ตั้งกําลังใจที่ใหม่ว่านักปฏิบัตินี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ไม่บกร้องในศีล ดันั้นสินี้เป็นเรใหญ่การศึกาพรสุดยากคนยากอะไรบางท่านเข้ามาเมียบัตรสังขาริเศษเต็มเพียบศึเท่าไราก็ไม่ได้เมียบัตรสังขารเศษต่นี้สังขาริเศษอาจจะเป็นองการตร้างใจก็ได้เรื่องป็นในการรู้เท่าหมถึงการตื่บทแล้วว่าได้ศึกษาก็เป็นไปได้เพราะว่าตายจะมีมากเลยกันที่ไม่ค่อยศึกษาวินัย กาลงที่ศึกษาก็ศึกษาแต่เพียงสักเว่าตอบคำถามของโสดได้แต่ว่ากำลังใจไม่คิดที่จะปฏิบัติในสิ้นอย่างลีลาของเรามีประมาณเก้าสิบเอร์เซ็นสร็จในประเทศไทยนคะรับที่ศึกษาแล้วไม่ตใจใไม่ตั้งใจปฏิบัติในศิ่ท้หมดไม่มีเก้าสิบอร์เซ็นเสร็จของประเทศไทย ดังนั้นการฝึกมโนทิฏฐิและกรรมฐาใ น, ในใดๆพระทึไม่มีปริมาณได้น้อยกว่าคราวทีกคิดกันโดยประเสินตอนนี้ไปก็จะขอแนะนำสำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้วควรยังทรงอารมณ์จิตตั้งจักจิตตัดสินใจไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกข์ สิ่งทุกทอย่างไรกมันเป็นอะไรจังหาความเทียงไม่ได้เห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุก็ ค, คิดว่าสิ่งทลายเหล่า น, นี้ไ ม, สม่สามารถจะทลายตัวหมดถ้าดูร่างกายของเราก็มีสภาพอย่างนั้นอายในร่างกายของเราเึ็มไปด้วยความเป็กรดแล้วมีร่างกายเราเต็มไปด้วยความเปนกรดเสร็จเลยทุกวันทุกเวลา ที่เราต้องเหน็เหืยก็เพราะว่าเรามีร่างกายกายมันจะกินกายมันจะหายกายมันจะแต่ตัวกายไม่ต้องกายความเย็นกายก็กายความค้อนมันเป็นเรื่องของกายทั้งหมดอาติกำหนดร่ากายของเราก็ดีกายเขาคนหนึ่งก็ดีว่าตัวท่าทางไร่ก็ดีไม่มีอะไรเป็นปัจจัยเพื่อแสดงความคิด มันเป็นต้นเหตุของฟางทุกข์ทั้งหมดและริษทุกข์มันก็พางสลายฉะได้นกายเกิดต่อไปในชาติหน้นเราจะไม่มีที่เราจะไม่เกิดในใจของมนุษย์เราจะไม่เกิดในใจขอสวรรค์เราจะไม่เกิดในใจของคนบนลกสิ่งที่เราต้องการเราได้ก็คือวิปัสสน จำหลักใจไปเขาทําันยังไงเที่ยะไปก็คือตัดจิตใจใส่กำลังกายและได้จิตกายญาติที่กล่าวมาแล้วว่าชีวิตไม่มีความหมายกา่กายเราก็ดีกายกายเขาบอดีคนดีไม่มีความหมายมันไม่เที่ยงเวลาเที่ยงไปมันเป็นทุกข์มาสลายตัวเป็นอะไรที่สุดยามปกติร่างกายนี้ก็เต็มได้ความโศกโศกโรก เป็นสิ่งที่ไม่น่าไม่น า, นากลั้นละังนั้นเป็นคิววาระกายระเบียนนี้ต่อไปไม่มีสําหรับเราเราต้องการสิ่งผ่านแต่ว่าอรมที่เราเข้าถึงที่ผ่านได้ก็ต้ต้องยับยั่งความรูปเด็กพอใจให้มีความรักมีความกลัสนาในรูปรวยในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในความต้องการระหว่าเงเพศ ถือว่านี่มันเป็นภพมาโดยตรงนาฬิการที่สองจะไม่มัวเมาในทรัพย์สินเกินไปไอมีความรู้สึกว่าคนที่รยวยอะ่าไรก็ตายกันหมดตายแล้วหน่งใครแปกทรัพย์สินไปได้เมื่ออยู่เราหาสินตายแล้วหมดความต้องการแล้วต่อไปเราจะให้อัยแก่บุคคลที่ทําทให้เราทาให้เรามันใจดวงใจเรา ไม่เคยจะไม่ถือโทษไม่ถือโทกับบุคลผู้ละเมิดประตูมเป็นไม่แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องทีไนตั้งใจกายกับใจเรื่องี่ไหนเการยับยั้งจจความชั่วของบุคคลนนั้นแต่กำลังใจเราแอภัยแต่เขาจุดเสมอสำหรับกำลัต้องความหลงถ้าเราคิดอย่างนี้ตัวหลงนั่นก็ไม่มีถ้าหลงเาทอยู่อย่างนี้ทัานท่านําได้แล้ว ให้คิดว่าอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่คิดเฉพาะมันนั่งที่นี่นะคิดทั้งวัยใครคนทั้งวัยมองเห็นคนมองเห็นสัตมองเห็นว่ตถุก็ถือว่าไม่มีความหมายไม่ค า, ามม่ตัวว้ทั้งหมดตัวก็เราไม่ใช่ร า, ายกายเราก็ตาเราจะไม่คิดทีเราไม่เกามันสิ่งที่เราต้องการก็คือมันตาย ถ้าอารมยามบ้าใจคิดอย่างนี้แล้วกเวลารวบรวมกาลังใจในสมาธิก็ไม่ต้องทาอะไรมากรวบรมกาลังใจพักจับอารมคิดว่าเราต้องการพิกไขึ้นไปทันทีขึ้นอนกาพุงจนถเฉพาะบิได้คืษษษษอพลิกาตก่อนไปที่วิมายกเราไปวิมายพระองค์สมเด็จพสมาพทธเจาปัใจระดำตั้งใจเราชอบ ถ้าเราไปอยู่ที่นั่นให้มันชื่นใจแต่ต่อไปจะเที่ยวไปไหนก็เป็นเรื่องของท่นถ้าว่าทําอย่างนี้จิตใจท่านจะมีความเบาใจเพราะว่าไม่ไทเทีายวไม่น่าแต่นาตัดนอนตัดนี่เวลาที่เรจะเคลื่อนจิตเราตัดให้มันเป็นปจิตประจําวันทุกวันทุกเวลา ท, ท, ท, ทุกวินาทีแค่ถ้าอารมณ์เข้าใจเห็นทุกในโลกก็ดีมันเป็นของธรรมดา เห็สุขในโลกถือว่ามันเป็นขอหลอ ก, ลกอยู่หรือไม่เห็นสุขงๆเห็นผู้ชายแล็นผู้หญิงก็ถือว่าคนประเภท น, นี้สุขอกไม่ฆ่าก็ันไม่มีความหมายสำหรับเราเราสุขอกกันใดเขาก็สกขอกกกันนั้นเรามีทุกข์ทันใดเขาก็มีทุกข์กันนั้นที่เอย่ยงดีนะสำหรับท่านที่ไดแ้แล้วก็ยังไม่ได้เพคนคิดด้วย อ, อีสั้นหนึ่งอารมณที่เรางไว้ทั้งชั้นที่มาใหม่และมาเก่าได้แล้วที่ยังไม่ได้ตัวอารมณเป็นกันยามว่าจับลงให้ใจเข้าออกภาวนาวัานัะมาภาถากาภาวนานี่ยจะแบบไหนมันสบายต่อตางนั้นใจมันไม่เหนื่ยถ้าที่ลงเต็นนานด็จะเปลาไหลใจเขา้าแล้ววันับมาเวล า, ายกจออกแล้วภาถา่างนี้มันไม่เหนื่อยรู้สึกสบาย ทำใจเรามันทรงตัวตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาไว้ชังจันใครแชรดีก็มีรูปประคไว้แต่วันนี้ไม่ได้โฆษนาใครประคานะอย่าทำเองก็ได้ใช้รูปประคำที่กอนปวดก้อนตายก็ได้ทำมันร้อยแปดเม็ว่าน้ำมันก็ใชแต่หยิดเป็นเล็ดหงว่าน้ำมันก็ใ้แก็หยิดเป็นเมงอย่างนี้บังคับในทั่วร้อยแปด่จะไม่ยอมให้จิตไปคิดเรื่องอื่น จะให้มันอยู่แค่ทำภาวนาทำหลวใจต่ออกถ้าไม่คิดเรื่องอื่นใจขมานั่นจะเบาเพียงไม่จะร้อยแปดเป็ดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำอย่างนี้เรื่อยไปจิตใจจะดสุบอารมณ์จะสบายอารมณ์จะกินอันนี้เป็นลาที่รวบรวมกำํำไรใจเพื่อเพื่อเคลื่อนไปตอนนี้เขาไม่ไม่ภาวนากันนะ ถ้าเวลาที่ยังเกิดจิตเนียเขาหยุดคำวันนายใส่คือตารวบรวกกำลังใจรวบกำลังใจดีจิตพุ่งตบตึ๊ไปถึงที่ใดที่หนึ่งอันนี้มีจุดตรงว่าในเมื่อเราไปถึงที่ใดที่หนึ่งอารมณ์มันหมองอารมณ์มันมองมันเห็นอะไรไม่ชัดคําว่าเห็นนี Tim, ่ใช่จิตเห็นไม่ใช่ตาเห็นไม่ได้แบบลูกตาไปด้วยลูกตาเว็นทีกายหูอยู่ท <assemble>. uh ี่กาย ปาคนอยูิกายที่เราขึ้นไปเปเนสภาพของจิตใ้สภาพของจิตนี่มันรักสมัครเตือนป่ารู้สึกระหว่างพูดกันมันก็เป็นรื่การรู้สึกเรารู้สึกว่าเราถามท่านอย่างนั้นก็มีความรู้สึกว่าท่านตอบมาอย่างนี้ในตอนต้นๆจะมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าสิ่งของทุกคนดีสมาธิสมบูรณ์แบบพัฒนายาสมบูรณ์แบบ รวมความง่ายๆในกำลังใจในขณะไห้นเขาท่านเป็นกำลังใจของสารานทุกเสียงทุกอย่างนั่นก็ไม่ใช่ชั้นผิวในกําลังจิตมันก็ไม่ต้องพูดกันแบธรรมดาธรรมดานี่เราจะเห็นใจท่าจะมีกายเข้าแค่เสียงใดมันอยู่ที่กําลังใจของจิตทะ่นั่นคำมัรนดาสาวกพระองค์สุลตัสมาสามิเกิดครั้งทีสุดทมันในลุบาสุบบาจิตา งยงพยายามใช้อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติแล้วต่อจานี้ไปขบัรดาสพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนนาสำหรับท่านที่แล้วเมื่อจบจากการกโรกตรโบกรล่กำลังใจถ้านเห็นว่าการทรงขันห้าอย่างจิตสบายก็โรงไ้ก่อนใต้จิตหลายดีแล้วก็โคตจิตจะโศภฏิภาณทันที ต่าขึ้นถึงจะไปถึงไหนก็ตามทีทั้งหมดเออมันมัวเห็นอะไรไม่ชัดอย่างนี้ก็ต้องขอบา ร, รมีโอสมเด็จตัตมารัพ้พสัจจาหรือว่าใส่คังห่าให้ลงใจเราแจ่มใสฟ้าสลายจะมาเกิดขึ้นอย่าลืมวิาสมาธิพวเราเนี่มันเป็นวง์แค่บางทีเราไปถึงพระินทานั่งอยู่องค์เดียวพระอิทนทรด้วย่าวอยู่อิกมกับกพระเจ้าไป็นส่เราเป็นราชาของพระดา ถาห็นอค์เดียก็ถ้าเราต้องการจะรู้มีใครอยู่บ้างสาธิตฐานสิทธนั้นขอบรมีโองธรรมเทมนาสัมพุทธเจ้าว่าในที่นี้มีใครบ้างคอยข้าไเจ้ารึงสร้างคามเนจิลนนั้นเราไห็นทั้งหมดไม่ว่าไปจุดใดถ้าเรเข้าไปในสานที่ไหนก็ดีแต่เราต้องการจะรู้ทั้งหมด ไปเห็นว่าสิ ys, ans, are, ่งนั hein, Darwin, ้นไม่แน่ใจก็จะมีคือเขาประเินเขาเขาาหนดจิตเมื่อถึงามีก็โอ้สมเด็จตัสมาสมุทิจาพอยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดกราพอีเห็นท่านจแต่ว่าทางที่ดีที่เขาใช้กันน่ะก็เริ่มต้นที่จะไปถ้านึกถึงบารมีก็โอ้สมเด็จตัสมาใจได้่องใสขันท้ายมันตัดจริงจริงเล ใส่กำลังให้มันหมดจริงๆจะก่อหน้าจะก่อหลังจะโหวน่าจะโหวหลังจะตัดจะโกหกตัดใจโกหกไปที่ไหนมันก็มึดถ้าใส่กาลังใจได้จริงๆตัดลาขาาความรักัวขาาความโลภตกวข้าความโกรธโมหกความหลงตามที่กล่าวมาแล้วมาเทีวนี้และก่อนี่จเคลื่อนก็ขอกำลังบาลมีพระองค์สมเด็จพระจีนสีพระมัสสดาสัมมาจารย์ ขอเข้าใจเห็นครบเป็นจริงสุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ว่าไปจุดใดให็นนิลงนี้เห็นเนี่ยเหนน็นเนรมงจำใส่เห็นในครบครัวบริบูรณ์ตามความเป็นจริงได้จิตตัวนี้ได้เกจิตเมื่อมันสะอาดพอไหมอันดับแรกาาก็จับองสมเ็จัวสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเป็นองค์ปองใส่ไหมให้เนื้นององอย่งไม่ปองใส่พออย่าเพิ่งเคลื่อนเพราะว่าตัดอันห้นมหม่ ถ้าจักํากำลังใจให้เบียดตบใส่ขันท่าในเด็กขาดให้พ่อป้าไม่บอกสกายเกยดสื่อแสดงว่าเรายังมีตังบนยังติดอยู่ในลมรักบ้างติดอยู่ใน ร, ม, ร, ในรมโลกบ้างติดแต่ลมโสดบ้างติดแต่ลมหลงบ้างยามแคบนมดไม่้หมดอยา่างสิ้ถ้าว่าจริงทั้งหลายอันนี้ถ้าวันหมดใจจิตเราจะเห็นภาพของพระพุทธธรรมชาติในสิทธิภาพอย่างชัดเจน ตอนนี้นั่นแหะจะไปที่ไหนว่าตานเราจะเห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างถ้าตอนนี้ไปใบพร่านาจะพุทธบริษัททุกทสานโดยเฉพาะที่นชมใหม่ให้พยานกำหนดรู้ลงใอใจก่อกเวลาให้ใจเข้าในคนละมาเวลาให้ใจออกในวัดสาธิตทารีเดียนคริสบอกว่าสัญญาการกดยาตัวลืมตาให้พม่านาไว้ก่อน เวลานั yeah, it, it, ้นเป็นเวลาครูพูดสอนเนเข้าไปแนะนำท่านเวลาที่ครูพูดสอนเข้าไปแนะนำนะก็ขอทุกท่านงดคำาอวนาและพิจารนาทำใจสบายยเฉยๆฟังคำถามและคำแนะนำของครูสอนะอารมณ์รู้ยันหนึ่งว่ามันเป็นการทั้นถับและกำนายจิต ไหมือนเราคิดว่าเวลานี้บ้านเราเป็นที่นั่นเรารู้ว่าบ่านสีอะไรลักษณะไปยังไงขอรายตานอยู่ทไหนเวลานี้เราหน้าอยู่ที่นี่เรารู้แต่ความจริงตามันไม่เห็นใจมันรู้ตอนนี้อารมรู้แต่ขณะที่เราจะขึ้นไปแบบนี้จะหรือว่าอยู่ในกําลังของสมาธิบังคับไม่เมื่อสมาธิบังคับะเอียะคิดรงเลดจะไม่ได้แต่เพื่อจุดบามันจะเป็นอารมณ์เรื100่องอยจะเป็นความคิด แ้่ตอนนี้ไปขวันดาเจ้าพุทธบริสัทธ์กายได้หยู่ต่างกายให้ตรงตะกงเกิดใชใหมกำหนดรู้ลงใ้ใจคอยใจออกใจทำภาวนาและพิจารณาตามอัริยะใจเพียงกว่าู่ถึงเวลาสมผลโปรดดับเปลี่ยนลักษณะนะเจวรนดาท่านพุทธบริสัต so ์หลายโสดจะทังคำแนะนำเสลดน้อ <Minecraft>. ย no แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่านักปฏิบัติใหม่มากผู้ผู้ตอบมีน้อยในคลิปนี้ผมตอบคนเดียวเรียนสอนเฉพาะจุดส่วนกลางคอยทุกคนตั้งใจแล้วฟังแล้วิจะาตามไปด้วยเอางี้ก็แล้วกันนะมีการปฏิบัติเกิดขอพูดอย่างสังส้นๆใช้เวลาห้านาทีอันดับแรกขอมันดาท่านพุทธบริษัทพิจารณาความคุ้มครองการเกิด คิดว่าเราเกิดมานี่มันสุขหรือมันทุกข์ความรู้เป็นทุกข์ไหมความหนาวเป็นทุกข์ไหมความร้อนเป็นทุกข์เปล่าการเปิดไข้ไม่สบายเป็ทุกข์เปล่าการเลี้ยงตัวการเลี้ยงครอบตัวเป็นทุกข์หรือเป่นสุขอาการทักทายแจกของรับของเข้าใจเป็นสุขหรือนทุกข์ความตายเข้ามาถึงตัวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เรื่องต่อนะถ้าใครคิดว่าเป็นสุขก็ไปไม่ได้ถ้าใครมีอารมณ์ใจเห็นว่าเป็นทุกข์จริงจังก็ไปได้มันอยู่ที่ใจกรรมฐานเนี่ยมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวขึ้นกับกําลังใจเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นพวกเราหรือไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราถ้าร่างกายม่เป็นเราจริงเป็นพวกเราจริงเราก็ต้องมาขับมันได้ นี่เงินในกระเป๋าเราถ้าเราไม่ใส่ทุกอย่างมันก็อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาถ้าเราใช้มันมันก็หมดไปร่างกายก็ไม่กันนี่ร่างกายเราไม่ต้องการให้มันแก่มัเชื่อไหมเราไม่ต้องการให้มันป่วยม่เชื่อไหมมันอยู่ในกระเป๋าไหมเราไม่ต้องการให้มันตายมันเชื่อไหมเรเปล่าเราห้ามไม่ได้ก็ไม่เมาไรงกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราคือจิตที่เสื่อแล้วติดอยู่ในร่างกาย ที่เรามีทุกข์ก็สายกายเป็นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิยยพียงค์ทรงและนำไว้ในท้ายมหาสิบฐานลัคน์โศกเอาง่ายๆเอาที่ทันเทศทันภายยะดีกว่าถ้าเกิดว่าปายยะเอจงยาวผลใจในกายอย่างเดียวเท่านี้แล้วก็พระยะเป็นพระอรหันต์เพว่ากิเลสทั้งหมดตัดที่สกายาทิ่ที่ สกายยะดิสิก็คือใช้ปัญญาเห็นตา่างความเป็นจริงไม่ใช่โกหกตัวเองร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ไมีในร่างก า, รรายร่างกายไม่มีในเราร่างกายในเรื่องที่เกิดขึ้นจากไร้กิเลสตัณหาความทันในภูมิผลกรรมมีอยู่ในจิตมันจึง น, น, นํารามาหาทานอรรมานอยู่กับร่างกายที่ไม่มีการทรงตัว ตอนเลี้ยงทุกวันเดี๋ยวก่นหนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ป่วยไข้มาเต็มบเดี๋ยวก็ทุกข์ทังทางอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายถ้าจิตยังไม่มาบริสุทธิ์จะเกิดชียนใดอาการอย่างนี้มันก็มีอยู่ฉะนั้นสอนหลักสุโรมะโคยังแนะนำว่าภัยยะคือจังย่าพึงใจในกายหมายความวากายของเราเนี่ยมันจะแก่ก็เชิญแก่ห้ามไม่ได้เลยห้ามไม่ได้ไปห้ามก็อยู่มันจะป่วยก็เชิญป่วย ในเมื่อมันป่วยเราจะหายจะโครคก็ไม่หายจะโครคเป็นหน้าที่ของหมอหมายความว่าถ้าหมอรักษาดีเราก็หายล้าหมอไม่ษาดีเราก็ตายข้าหมดเรื่องกันไปถ้ามันอยากจะตายก็เชิญให้มันตายไปตามสบายใจของมันนี่แปลว่าเราไม่สนใจในกายแล้วในข้อต่อนี้ไปก็ขอบรรดาทุกท่านตอนที่ได้จิตจสอก คอยาำหนโดรูดล้ลมกำหดรู้ลมลมหใจเข้าหาใจออกแล้วก็ภาวนาวา่าภพภอ่ิภาวนาวนาาานะันามะพัสสะนะณมะพะะในช่วงนี้ยังไม่ต้องคิดว่าเราจะเห็นอะไรเาจะรู้อะไรไม่ต้องทั้งหมดไปไหนได้ไม่ได้ไม่ต้องสนใจสนใจอย่างเดียวคือลมหายใจเ ข, ข้าหายออกกับคำภาวนาวันามะพัคะตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะถึงอยอยเวลาสอบทบทวนความรู้สึก ตอนนี้ไปทำได้ค่ะ